ความในมิเินทปัญหาพุทธวัคที่หนึ่งปัญหาที่หปัญหาว่าด้วยเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวพระเจ้ามิเรนได้กราบเรียนถามพระนักเกษว่าพระคุณเจ้านาคเกษพระาศาสนาของพระตถาคตนี้ยิ่งใหญ่มีสาระดีงามประเสริฐยอดเยี่ยมบริสุทธิ์หาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้ ปราศจากมนทินผ่องแผ้วหาข้อติเตียนไม่ได้อันนี้คือคือหลักการนะนะว่าออพระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างนี้นะทั้งยิ่งใหญ่อะไรจะยิ่งใหญ่เท่ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเป็นสิ่งที่มีสาระเพราะรู้นแต่เป็นสิ่งที่เป็นแก่นสารไม่ว่าจะเป็นแก่นสารคือศีลแก่นสารคือสมาธิแก่นสารคือปัญญา แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าเป็นสิ่งที่งดงามด้วยข้อปฏิบัติทั้งหลายที่เป็นสุจริตเป็นสิ่งที่ประเสริฐก็คือเลิศกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่รู้จะเอาลัทธิคําสัง่งสอนเหล่าไดข้อปฏิบัติเราได้มาเปรียบเทียบได้อีกแล้วปราศจากความเศร้าหมองด้วยราคาโทสะและโมหะเป็นสิ่งที่ผ่องแผ้วสรุปว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นหาข้อตําหนกเตจเตียนไม่ได้แม้แต่น้อยเดียว เพราะเหตุผลดังที่กล่าวมานี้จึงไม่ควรให้ผู้เป็นเครือขัดบวชก่อนเพราะฉะนั้นเครหอขัดไม่ต้องให้บวชครหอขัด ท, ทั่วไปนะไม่ต้องเอามาบวชกันง่ายๆไม่อยากบอกขานนะเป็นข่ามีคุณะอมมีคุณสมบัติแบบทั่ ว, วไปก็ให้บวชไปเลยไม่ต้องต่อในเวลาใดครือผู้เป็นครหอขัด ส, สําเร็จผลสักอย่างหนึ่งแล้วนะก็ต้องให้เข้าไปปฏิบัติให้ได้โซดาปฏิผลเป็นอย่างน้อย เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นผู้ไม่กลับมาสู่เพศที่เลวคือเพศคารวะอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ยอมศึกแล้วยังไงก็ไม่ยอมศึกเพราะนั้นทำไมจึงต้องให้คนที่บวชแล้วศึกมาบวชต้องให้คนที่บวชแล้วไม่ศึกนี่สินคือต้องเป็นปุพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดท่านก็ไม่ศึกหาลาเพศมันต้องให้พระโสดาบันขึ้นไปนั่นแหละบวช ก็เป็นยังไงนะเขาก็มีธรรเนียมประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกานั้นเป็นประเทศที่เขาเชื่อว่าบวชและห้ามศึกใครที่บวชแล้วศึกคบไม่ได้อันนะ้นเขาเขาค่อนข้างดูหมิ่นเหยียดยามนนะถ้าเป็นบ้านเราก็แทบจะเรียกว่ามีข่าวปรราชิกแล้วศึกไปค ล, าคลายย้ายๆเอาแน่นอนนะอันนี้แค่ศึกหาลาเพศในเขาก็ขรหากันมากเขาไม่ยอมรับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ไม่บวชก็ไม่ต้องบวชตลอดชาตินนะไอ้คนที่บวชก็ต้องบวชตลอดชาติ ก็เลยนั่นก็เป็นกติกาวัดที่เขาใช้อยู่ใ น, น, นปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามคล้ายๆกับพระเจ้ามิลินนี่แหละถ้าบวชแลว้วไม่ต้องศึกนะเพราะฉน ะ, ะนะัะ้นเมื่อเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าจะไม่สึกอีกต่อไปก็นี่แหละโสดาปฏิพนสกาธาคามิพนเป็นต้นให้มาได้อริยพผลสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยบวช เพราะเหตุไร ห, หรือเหตุผลเน่ยนะเขาก็หาเฉพาะคือการที่จะเสนออะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีเหตุผลรับรองเหตุผลรับรองว่าควรให้ผู้บรรลุมรรคผลก่อนค่อยบวชก็คือพวกคนที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยพอได้บวชในพระศาสนาที่บริสุทธิ์นี้แล้วเสร็จ แ, แล้วก็ยังท้อยกลับคือล า, ลาสิขา เลิกรักษาศีลเลิกรักษาสมถะและวิปัสนาเลิกเจริญคุณธรรมที่เป็นสิกษาในพระศาสนาของพระศาสดาในที่สุดก็เวียนกลับมาสู่เพศที่เลวอีกต่อไปได้เพราะการถอยกลับมาแห่งพวกเขาพวกมหาชนคนเป็นจํานวนมากก็พากันคิดอย่างนี้ก็คือเห็นทีเป็นว่าพระศาสนาคือศิกษาข้อปฏิบัติของพระสมณะโคดมนั้น จัดเป็นของเลวแล้วก็เปล่าหนอคือเข้าไปแล้วมันไม่ได้สาระอะไรคล้ายๆกับแบบไล่ลท่านที่ศึกไปเนี่ยน ะ, ะเมื่อเึอกออกไปเนี่ยก็กล่าวถึงว่าพระพุทธศาสนานี่ช่างเลวร้ายแท้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเขามีสารคดีภา พ, พยนตร์เรื่องสั้นที่ประกวดแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกเรื่องสั้นนะ น, นะแต่ว่าไม่ได้ประกวดในประเทศเราประกวดที่ต่างประเทศก็คือว่า เอาเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วเข้าไปตามสำนักที่เร็วๆทั้งหลายนะเข้าไปอยู่ตามสำนักที่เ็วๆเร็วๆในที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากพระพุทธศาสนาแล้วก็สึกไปพอสึกไปก็ไปใช้ชีวิตในที่สุดไปได้สัจะทําจากโสเพนีคว่ากันนันะนางภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ดีเด่นเนี่นะเพราะพอสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้มาตีแผได้ันนะ อันนี้ก็มีว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะบางคนบอกโอ้เนี่ยเดี๋ยวสึกไปแล้วมันจะเสียหายเหมือนกันเพราะว่าคนที่ถือว่าบวชแล้วสึกนั้นมหาชนก็พากันคิดว่าคนโดยมากก็บอกว่าไอ้ที่ต้องสึกเนี่ยแสดงว่ า, าศาสนาไม่ดีนะพวกคนเหล่านี้จึงได้ถอยกลับมาเวียนกลับมาจึงต้องสึกฮาลาเพศถ้ า, าศาสนาดีจริงใครบวชแล้วจะสึกแสดงว่าพุทธศาสนามันไม่ดีจริ ง, งสิสึกเอาสึกเอามั่งกัน เพราะฉะนั้นข้อที่ว่านี้จะเป็นเหตุผลที่สําคัญมากว่างั้นจะเป็นเหตุผลในการที่ไม่ควรให้พวกคฤาษีนี้ได้บวชก่อนอย่าให้บวชกันง่ายๆนะถ้าบวชกันง่ายมันก็ศึกกันง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องให้บรรลุโสดาปฏิพันธ์เป็นต้นไปก่อนนั่นแหละจึงค่อยให้บวชอันนี้เป็นเหตุผลที่เรียกว่านําเสนอว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะธนาคเซนท่านก็ตอบดีมีเหตุผลว่าขอถวายพระพร นะว่าถ้าเป็นตัวอย่างมหาบาพิษว่าเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเสียหายมากพอดีถ้าถ้าทำอย่างว่านะต้องให้มีพระโสดาบันเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงให้มาบวชนะพุทธศาสนาศูนย์ตั้งแต่ต้นๆแล้วนะป่านนี้ไม่เหลือปัจป จ, จุบันอะไรนี่หรอกอย่างนั้นนะนะอันนี้คือคือพระศาสน า, าจะไม่ถึงพวกเราแน่นอนไม่มีโอกาสได้ศึกษาแน่นอนถ้าหากว่าส่งนลิกษิตเอาไว้เท่านั้นว่าโสดาบันขึ้นไปจริงกับบวชได้ คารวาทัวๆไปห้ามบวชเป็นต้นนี่ยนะพันเปรียบพันแต่ว่าวินยูชนในโลกจะเข้าใจเนื้อความก็ต้องอาศัยอุปมาอยู่แล้วก็เลยอุปมาให้ฟังว่ามหาบาพิตรเปรียบเหมือนว่ามีสระน้ําอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสระที่มีน้ําอยู่เต็มเปี่ยมเป็นน้ําที่ใสสะอาดปราศจากมนทินแล้วก็เย็นดีต่อมามีบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เปื้อเปื้อนด้วยเหงือ่อแล้วก็เปื้อนด้วยสิ่งสกปรกมีเปือกตมเป็นต้น เมื่อไปถึงสระน้ำนั้นแล้วก็ไม่ยอมอาบน้ำเนื้อตัวก็ยังเปรอะเปื้อนอยู่ทีเดียวแล้วก็ถอยกลับมาเสียก่อนขอถวายพระพรในบุรุษและสระน้ำนั้นผู้คนพึงติเตียนอะไรบุรุษผู้เปรอะเปื้อนเหงื่อใครหรือว่าสระน้ำเ่าเรี่ยวว่าทำท่าทีแรกว่าจะไปอาบน้ำานะเปื่อนเต็มคร้นเต็มไปหมดเล้าก็มีบางคนนะเขาคิดอย่างนี้นที่บางคนเข า, เขาบวชตอนอายุมากขึ้น เขาก็จะมีทฤษฎีคล้ายๆแบบนี้ชีวิตเราเนี่ยใช้มามเปื้อนคโครนตลอดเพราะฉะนั้นแก่เท่ามาแล้วมาบ ว, บวชเรียกว่าชาระบาปอะไรงนะบวชชาระบาปนี่ก็เหมือนกันเขาก็คิดว่าเออเนี่ยสระน้ํามีอยู่คนโศกปรปรกมีอยู่เมื่อมาแล้วเนี่ยมาถึงก็ดูน้ําเสร็จแล้วก็ไปเห็นคนที่เล่นคโครนอยู่ข้างๆสระน้ําอ่ะนะ ก็กลับดีกว่ากันนะนะก็ลักษณะแบบนี้ถามว่าสระน้ํากับคนเล่นโคลนหรือคนที่ถอยหลังกลับมาเนี่ยสองสองสามคนเนี่ยใครหน้าตําหนิเอากันสระน้ําหน้าตําหนิใช่ไหมสระน้ำใสสะอาดหน้าตําหนิหรือว่าคนเล่นโคลนหน้าตําหนิหรือว่าคนที่ศึกษาลาเพศไปหน้าตําหนิคําว่าคนที่ศึกษาลาเพศไปก็เหมือนกับคนไปเห็นหรือไปเล่นโคลนเสร็จแล้วก็กลับมากับคนที่กําลังเล่นโคลนอยู่ก็คือว่า คนที่มาประพฤติย่าเปเล่เทะอยู่ในพระพุทธศาสนาก็คื อ, คอมาเล่นโคลนข้างสระนา้ํากับสระน้ําคือพระศาสนาถ้าผู้ใดไปชําระจริงก็สะและบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งพระเจ้ามิลินก็บอกว่าคือคําถามของพระนาคเกษว่าสระนา้ํากับคนที่ไม่ยอมอาบนา้ําใครหน้าตําหนิกันแน่พระเจ้ามิินก็ตอบว่าผู้คนพึงติเตียนบุรุษผู้เปะเปื้อนเหงื่อใครว่า ผู้นี้ไปถึงสระน้ําแล้วก็ไม่ยอมอาบน้ําเนื้อตัวก็ยังเปรอะเปื้อนอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาเสียก่อนสระน้ํานี้จะอาบน้ําให้บุรุษผู้ไม่ต้องการอาบนี้เองกระไรเล่าคือสระน้ําเนียนดูอยู่สระน้ํานี่พุ่งขึ้นมาอาบไปเลยเสร็จแล้วก็สระน้ํากลับไปคืนอยู่ดังเดิมเนี่ยสระน้ําจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมก็บอกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นไม่เป็นความผิดแม้แต่สักเล็กน้อย ของสระน้ําของบ่อน้ําเลยโดยที่แท้เป็นความผิดของโบรถนั้นนะโบรถที่ไม่ยอมอาบนั้นทีเดียวพระนาคเษนก็ตอบว่าขอทวารขพรโอปมาฉันใดโอมมาอีก็ฉันนั้นพระตถาคตทรงสร้างสระน้ําคือพระสัจธรรมอันประเสริฐสระน้ําอันนี้เป็นชื่อของโพธิปัจจะธรรมพระองค์ได้ทรงสร้างสระน้ําเครื่องชําระบาปอากุศลธรรมคือ โพธิปัจยธรรมอันประกอบไปด้วยสติประธานสัมมารประธานอยธิทบาทอินรีพร ะ, ะโพชฌงและองค์มักทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องชำระบาปอากุศลธรรมขึ้นก็เลยเรียกว่าตบะและพรหมจรรย์ไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นสิ่งชำระล้างพันพระองค์เนี่ยทรงสร้างสัตวธรรมอันนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเต็มเปลี่ยนไปด้วยน้ำแตมายก็ถ้าใครอาบสาเร็จแล้วก็ จะได้รับผลคือวิมุตต์อันประเสริฐเนี่ยนะวิมุตติอันประเสริฐคือวิมุตต์หลุดพ้นด้วยโสดาปฏิพันธ์สากาธาคามีพ้นอนาคามีพลและอรหัตตผลหรือว่าประเสริฐสูงสุดคือพระนิพพานด้วยตอนที่พระองค์ทรงสร้างสระคือโพธิปัจจยธรรมขึ้นมานั้นอ่ะด้วยพระองค์ทรงนำเรว่าบคุคคลเราใดเหล่าหนึ่งผู้เปื้อน ด, ด้วยมลทินคือกิเลสมีราคฆโทสะโมหะเป็นต้น และแต่รู้ศึกษาเขาเขาได้ผ่านการศึกษามาเขาเข้าใจคําสอนเขามีความตั้งใจบุคคลเหล่านั้นได้อาบน้ําในสระคือพระสัตธรรมอันประเสริฐนี้แล้วก็จักลอยกิเลสทั้งปวงเสียได้ดังนี้อันนี้เป็นเหตุผลเหตุผลที่สร้างสระน้ําอันนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเห็นว่าคนที่อบอ้าวเนื้อตัวเดือดร้อนลําบากยากเห็นเพราะไม่ได้อาบน้ําเปรอะเปื่อน ด, ด้วยโครนผมก็สร้างสระน้ําเพื่อให้เข้ามาอาบ ถ้าหากว่ามีบางคนไปถึงสระน้ําคือพระศัทธรรมอันประเสริฐนั้นแล้วย่อมไม่ยอมอาบยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่นั่นเทียวเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาเสียเวียนมาสู่เพศที่เลวอีกผู้คนก็จักติเตียนผู้นั้นนั่นแหละว่าคนผู้นี้บวชในพระาศาสนาของพระชินวรวุทธเจ้าแล้วยังไม่ได้ที่พึ่งในพระาศาสนานั้นเลยนะฮะเกาะ ที่พึ่งหาโสดาปฏิมัติโสดาปฏิพ้สกทาคามิมัติสกทาคามิพลนอนาคามิมัติอนาคามิพลอรหัตตมัติอรหัตหตพ้ให้เป็นเกาะเป็นเกา ะ, เ ป, กาะเป็นที่พึ่งตัวเองหาที่พึ่งยังไม่ได้เสร็จ แ, แล้วก็รีบกลับมาเวียนกลับมาเป็นคนเลวว่างั้นเพราะฉะนั้นพระศาสนานี้จะทําคนผู้ไม่ปฏิบัติผู้นี้ให้ตรัสรู้เสียเองกระไรได้เล่า เป็นไปได้ยังไงพระพุทธศาสนาอธิศินจะมาชุบศีลวิ่งมาใส่แล้วก็ชุบตัวแล้วให้สะอาดเองเนี่ยสมาธิวิ่งมาใส่แล้วก็ชุบตัวปัญญาวิ่งมาใส่แล้วก็ชุบตัวให้ศินสมาธิปัญญาเนี่ยมากล่อมกล่าวขัดกลามาชุบให้เป็นทองเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นสรุปว่าความผิดอะไรเล่าของพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าเล่า ไม่ใช่ความผิดของพระพุทธศาสนาเลยบุคคลเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เหมือนกันอย่างว่าบุคคลที่มามาศึกษาและมาปฏิบัติในคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเมื่อเขาไม่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นความผิดของคาสอนแต่เป็นความผิดของบุคคลผู้ไม่ปฏิบัตตามคำสอนแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะ อันนี้เปรียบเหมือนว่าสองอย่างเนี่ยนะพระพุทธศาสนาไม่ได้ผิดเพราะมีคนเข้ามาบวชแล้วสึกไปเลยพระพุทธศาสนาก็ยังดีคงเดิมอันนี้คือเป็นการแก้ตรงนั้นข้อต่อไปว่าขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งป่วยหนักอยู่ได้พบหมอผ่าตัดผู้ฉลาดในเหตุเกิดขึ้นแห่งโรคนะหมอผ่าตัดชำแหละหรือว่าตัดไอ้ส่วนที่เป็นเหตุของโรคเอาออกไป เป็นหมอผู้สำเร็จการงานที่มั่นคงไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนเหลวเปล่าหมายว่าไม่ใช่ไร้ฝีมือนะเสร็จแล้วก็พอไปเจอหมอเก่งหมอดีขนาดนี้ก็ไม่ยอมให้หมอรักษายังป่วยอยู่นั่นเองแล้วก็ถอยกลับไปเสียในบคนุคคลสองคนนั้นผู้คนพึงติเตียนคนไหนติเตียนคนไข้หรือติเตียนหมอหมอนี่ไม่ดีจริงก็ดีจริงคนไข้คนนี้ต้องยอมรักษาสิไงนะ ขอถวายพระพรพระเจ้าเมลินก็ตอบว่าพระคุณเจ้าผู้คนพึงติเตียนคนไข้ว่าผู้นี้ได้หมอผ่าตัดผู้ฉลาดในเหตุเกิดของโรคผู้สำเร็จการงานอันมั่นคงไม่ใช่คนเลวเปล่าเสร็จแล้วก็ไม่ยอมให้หมอรักษายังป่วยอยู่นั่นเทียวแล้วก็กลับไปเสีย หมอเองจะรักษาคนผู้ไม่ยอมให้รักษานี้ได้กระไรเล่าความผิดอะไรของหมอได้เล่าหมอจะไปมีความผิดได้ยังไงก็ต้องโทษ คนไข้ที่ป่วยแล้วไม่ยอมให้หมอรักษาไม่ใช่ความผิดของหมออย่างผู้ที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ได้บรรลุมรรคผลหรือว่าปฏิบัติแล้วมาทำเล่เทเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของคำสอนแต่เป็นเรื่องของคนที่เข้าใจผิดเป็นเรื่องของคนที่ปฏิบัติผิดเมื่อทำตัวเล่เทแล้วก็เดินออกกลับมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระาศาสนาเลยอย่างคิดง่ายๆอย่างไรว่าพระพุทธาศาสนาถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับ ดวงอาทิตย์พระธรรมคาสอนเหมือนแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์คนทั้งหลายเนี่ยมาทําตาเหลือกใส่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะมาทำตาเหลมาทําตาเขตาเอียงแล้วเอาอะไรมาทิ่มตาเอาทุลีละองมาโปรยใส่ตาเนี่ยโทษแสงสว่างได้ไหมโทษ ด, ดวงอาทิตย์ได้ไหมโทษไม่ได้โทษ ด, ดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้โทษแสงสว่างก็ไม่ได้เพราะเขาคือบุคคลที่อ่าไม่ฉลาดเองเอาฝุ่นละองมาโปรยลงในดวงตาใส่เองมันคนที่ปฏิบัติผิดพลาดก็ ชันนั้นเหมือนกันเนยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคาสอนเลยคำสอนก็ยังดีดังเดิมเพราะฉะนั้นสรุปว่าขอถวายพระพอรอุปมาฉันใดอุปมาอกก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าตถาคตทรงบรรจุโอสถคืออมะตะที่สามารถสงบความป่วยไขย้คือกิเลสได้คำสอนทุกอย่างของพระองค์เนี่ยประชุมลงที่อมะตะธรรมอมตะธรรมแปลว่า ทำที่ว่าถ้าตรัสรู้ธรรมนี้แล้วเลิกตายเนี่ยนะถ้าตรัสรู้ธรรมอันนี้แล้วพ้นจากความตายอ่าพระถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วก็ดับความเกิดได้ดับการเกิดในนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นได้เด็ดขาดอันพระองค์เนี่ยแสดงธรรมเป็นที่ดับชราและมรณะเนี่ยนะพระองค์แสดงธรรมะเป็นที่ดับทุก ที่สามารถสงบความป่วยไข้คือความเศร้ามองที่เกิดจากราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นเอาไว้ในตลับยาคือพระศาสนาคําสอนของพระองค์เนี่ยประชุมลงอยู่ที่เดียวเท่านั้นคืออมะตะนิพานคําสอนของพระพุทธเจ้ามีพระนิพานเป็นปริโยสารเป็นที่จบเนี่ยนะเป็นที่ประชุมลงเป็นที่รวมลงอะไรแต่ว่า พระนิพพานเนี่ยคือจุดสูงสุดเป็นเป้าหมายที่สูงสุดแล้วข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพพานนั้นก็คือปฏิปทาทั้งหลายเนี่ยนะปฏิปทาที่ศีลบริสุทธิ์เป็นต้นนั่นเองจะตกปาริสุทธิ์ที่ศีลจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลความบริสุทธิ์แห่งจิตความบริสุทธิ์แห่งทัศนะหรือทิฏฐิเนี่ยความบริสุทธิ์แห่งเพื่อที่จะข้ามความสงสัยเป็นต้นศิษศาสนาคือคําสอนที่เป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุพระนิพนพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงยาคือศาสนาคือศิกขาสามเพื่อที่บรรจุเป็นอมตะหมายความว่าผู้ใดดื่มรับประทานบริโภคศิกขาของพระองค์แล้วก็ดับชราและมรณะได้เด็ดขาดหายพ้นดับขาดจากชราและมรณะด้วยพระองค์นำฤทธิ์ว่าพระองค์มีอธยาสายตั้งใจอยู่ว่าบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ถูกความป่วยไข้คือกิเลส บ, บีบคั้น แต่รู้ย่อมรู้ย่อมใส่ใจศึกษาเป็นผู้ที่มีความตั้งใจบุคคล น, นั้นย่อมดื่มโอสดอมตะนี้แล้วก็จักสงบความป่วยไข้คือกิเลสทั้งปวงได้ดังนี้หากว่ามีคนบางคนไม่ยอมดื่มโอสดอมตะนั้นแล้วไปถึงก็มายอมดื่มนะรู้นะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอริยมรรคอริยผลนิพพานเนี่ยมันดับราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้จริง ทั้งทั้งที่ยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่นั่นทียว เ, เสร็จแล้วก็ถอยกลับนะเข้ามาก็ไมายอมศึกษามายอมพระพุทธปฏิบัติตามในที่สุดก็ถอยกลับเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวไซผู้คนจักติดเตียนเขานั่นแหละว่าคนผู้นี้บวชในพระพุทธศาสนาบวชในศาสนาของพระจินนวรุทธเจ้ายังไม่ทันได้สได้ที่พึ่ง ได้ที่พึ่งพึ่งหมายความว่าที่พึ่งที่สูงว่าพุ่งแล้วพ้นนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานพึ่งแล้วพ้นจากชราและมรณะเป็นต้นเนี่ยนะเขายัางไม่ทันได้ที่พึ่งในพระศาสนาเลยก็เวียนกลับมาสู่เพศที่เร็วนะก็กลับมาศึกษาราเพศแทนที่ว่าใสายใจในคําสอนเป็นต้นก็เหมือนอย่างว่าอเป็นอะไรนะเขาบอกว่าพระพิสุ ท, ที่ศึกษาลาเพศเนี่ยในสุญตมหาสุญตาสูตรเนี่ยกล่าวว่า มีเหมือนกับพระราชโอรสของพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งประทับบนคอช้างแล้วก็ตกจากคอช้างเช่นนั้นเองนะั่นถ้าราชโอรสตกจากคอช้างเป็นยังไงจะได้ครองราชยหมวยคอหักตั้งนานแล้วนะนี้ฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่เอ่อเวียนกลับมาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียสูญเสียอะไรบ้างเหมือนกับว่าราชโอรสที่คู่ควรแก่ราชสมบัติแล้วสูญเสียจากราชสมบัติฉะนั้น เังนั้นผู้ที่เวียนกลับมาสู่เพศที่เลวเนี่ยนะเวียนกลับมาเป็นครือขัดพระศาสนาของพระชินวรพุฒิเจ้าจะทำให้เขาผู้ไม่ยอมปฏิบัตินี้ได้ตรัสรู้เสียเองได้กไกลแล้วเนี่ยนะถ้าเขาไม่ยอมใส่ใจตามไม่ยอมปฏิบัติตามไม่ยอมศึกษาคำสอนไม่ยอมที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากตรัสรู้อยากประพฤติปฏิบัติตามคาสอนและคาสอนจะมาช่วยอะไรเขาได้ นะถ้าเขาไม่สนใจในศีลแล้วศีลจะมาช่วยอะไรเขาถ้าเขาไม่สนใจในสมะถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาจะช่วยอะไรเขาได้ถ้าเขาไม่ใส่ใจในอริยมรรคไม่ใส่ใจในโพธิปักจะธรรมแล้วโพธิปักขยธรรมเหล่านั้นจะทําอะไรเขาได้เนี่ยนะจะช่วยเขาตรงไหนมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะเพรา ะ, ะไม่ใช่เป็นความผิดของพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าเลยแต่เป็นความผิดของ ผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามแล้วในที่สุดก็บอกคืนบอกคืนสิกขาบอกไม่เอาแล้วศีลไม่เอาแล้วสมถะไม่เอาแล้ววิปัสสนามไม่เอาแล้วโพธิปักจยธรรมบอกเลิกบอกว่าพอกันทีพระพุทธเจ้าพอกันทีพระธรรมพอกันทีพระสงฆ์พอกันทีศิกขาสามคงกันมันไม่ได้ศิกขาสามไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตำหนิแต่คนที่บอกคืนศิกขาสามนั้นเป็นคนที่น่าตำหนิเนี่ยนะพันธะาศาสนาไม่ได้เสียหายเพราะ มีบุคคลศึกเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาเลวร้ยรายเพราะว่าเอาคนนั้นก็ศึกแล้วคนนี้ก็ศึกแล้วพระพุทธศาสนาก็ดีดังเดิม